วะอะนัมตัมมาตัมพุโสวุังพะวะะขวันตังอภิวะเดเมบุดังพระวันตังอภิวะเราบอีกครังแดงสวาขาโตพะวตาธโมสวาาโตะวตโมนมัสสเมธมนม ตบเทปโนพระวาโตสาวกแสงคอแสงทางนัมามแสงทางนัมมาเมโมตสาบควาโตรหัโตสัมมาสัมโพธิสา นะโมตัสสะพระสัสโตรหโตสัมมาสมพัตว <documentation> ์นะโมตัสสะะวตหโตสัมมาสามพธสันะโมตัสสะะวหโตสามมาสมพัุทังสรณังัจฉามิสาธิเจ้าขอถึงเสพระพุทธเจ้า เจ้าขอถึงึพระธรรมบางสารนางคัดชาเมทางทางรนงคัาาปิจากขอถึงแสงพระธรรมเจ้าขอถึงึพระธรรมสองทางสารนางคัดชาเม ขังงสาังคาชอาปเจ้าขอถึงเซงพระสง์อาเจ้าขอถึงซึ่งพระดโนติยามปิบุตรหังสรรังคาชามโนติยามปิบุตรหังสารังคาชาม โลตุยามปิธรรมสรนังพชามะโลตุยาปิสังหังสารนังพชามะมาตุยามปิบุตรหังสารนังพชามะ อาติยมปิพุทธังสระณังคตคาเมอาติยมปิธรรมังสรณังคามอติยมปิสังฆังสรณังคาเมอาติยมปิสังังสรณังคตคาเมตังใจนะตัใจตัใจตัอุต ข้าพเจ้าขอถึงเส่งพระพุทเจ้าที่เปรียญภาเลนนานและพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดฉลาดลูดดีแล้วและพระอริยสงฆ์มาเป็นที่พึงที่แล้ว เอานาเธอของข้าพระเจ้าเมื่วันนี้ต้นตนไปตปนตลอดเปงนชีวิตแทนพระเจ้านีแรงอากาศส้างอะไรองน้เดียัดปฏิานตนทั้งว่าไกรชนคมแล้วนะพอเย็นเป็นอบาชิกานะ ผูชายได้เป็นอบายศกแล้วทีเนียวบวชในสาธนานะอย่าทำพระามพระละเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วนะนั่น อ, อย่าถือมงคล่นข่าวนะนั่นรักษาพระพุพธศาชนะนะจำราแฝงไหวมากแฝงมา ก, กเดียวผู้ทเทนนะถือพระไกรชนะคมตึดสาวมอ ง, มงนะเพือ่อหมายความว่า วัญจมวันฟูนะนั่นตำราพรามเขาว่างงานเสือคอเสือเขินนะนั่นตำราพรามเขว้างเขินนั่นถึงระดูเดินห้าบาทเอตำราพรางได้เอเดือนนะพาูกคพาหลานตายตายทะเลเทียวอาบนาไม่ได้นั่นและเทศักหั ว, ห ว, หวหของอาสาหัวสัก้าวให้เคาะกรรมใน า, ายวตาไหลไปตามกระแสนาเงินได้เทียวผิดเทเรนั่นนะนั้น น ม, นมนพระไนะนะวสชนคมได้เหนะ็นเน่ให้ถือเลือดือไม่ถือเลือดีอยามดืนะนั่นถือเหตุถือผลนะนั่นถือถือกรรมเขาทําำเลยเลยทําชั่วเลยชั่วนะนั่นให้ถือในตอนเน่ทีเดียวนะั่นตำราพรางเขาวันจมวันโฟนั่นเะนี่ยหมายความว่ า, ว, าวันไหนจมไปดูนะ่คนนะั่นต้นไม้โูเขาเรากาก็จมไปอย่างที่ว่านั่นก็ไม่จบเน่ ไปทำราพามก็หกซะแล้วนะวันไหนทำราทำราพามเขาว่าวันไหนกันโขโขกนะนะเป็นดูคีือในนาเห็นโขขึ้นมานกหกเทนะไรประการนะ <c oughs> เสียคอเสือแขนนะดันเมื่อเสียคนะอเสีอแขนเช่านได้ไอ้ทำราพามเขากลัดว่าเช้นได้แล้วเท้เสียได้ขึ้นไะเสียคอเสียแขนนมันก็เป็นพระอรหันตสมบูรโลกเลยนัน เนี่ยหละเป็นของที่ใบเงเทียวเนี่ยแลพรตนเกายชนคมเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วนะอย่าไปถือความตืนข้านะน่นให้รู้จงเห็นจงในพุทธศาสนจิตมองที่เถาอเลือกโดยยามดีไม่ได้ในทางพุทธศาสนเลือกโดยยามดีมดวันเท่าน่หมดวัน ความมเพลียงนี่แหละเป็นความความที่เลือดดยำเดืนะจะเพาะปลูกอะไรเอาหัวอาเมือกัน่นี้ไปต้องหาวันหาเวลเวลาใเรื่องพระเจ้าประสง์ก็ไหาเวลาเดียวนอืมความความเพลียงนี่เป็นสาคัญเดียวนะทางพุทธศาสนานะย้ายเอาตาราพากันไปผสมเด้อไม่ได้งั้นจะทำให like hour, ้เกิดสมองเทียบเนี่มพระไกลสนาคมนี่เทเนตก่องสมได้พระภวเิอาถรากนะ พรองบวช ด, ด้วยพระองเองเอ้งที่พระคุหนึ่งนั่นะนะนะนั่นก็เสื่อมไปแล้ววางสมได้พระ พ, พระเมรุภาคให้ชาววอกบวชพระไตรสนาคมพุทธเถาธัลโมสังโฆอย่างที่พูดมาบวชเป็นพระได้นะในสร้างพุทธกาลนะนั่นต่อมาเนี่ยหายไปให้อ น, นะาให้กระด้อุบาสกอุบาสิกาบริทานปฏิปฏิปฏิยะิญาณตนเอเพื่อไกลสนาคมนะอเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนไ ป, เ ร, ไ ป, เ, รไปเรียกว่าเจ็ตุธกรรมอืม จะตุศกรรมเที่ให้สาเร็จโยสงนะนี่การบวชนะนี่ยนแะหละพระไกรสนาคมนะจะถือดุจโดยยาโดยแดนประการเดิย่าถือศาตร์นะเยอะจนมหดอิสรามแดนประการเดิมจะอย่ากินของเดือดนะเง้นลาเป็นข้ออย่างพดษานะกินไม่ได้เถี่ยนะนี่เนเป็นยักษ์เป็นมารใจเป็นหอนะนนะเนก่ยเชนหน้าของที่สุกโดยไฟซะก่อนเนี่ยพระไกรสนาคมจะขาด้วยสมองนะน่แล้วอีกอย่างเนดะิมเนะ้อสิบอย่าง หามเท้าเนื้อค้างเนื้อเลือเลือดชุมนักนื้อเนืออะไรเนี่ยโอ่งหามเท้าห้ามไม่กินเบื่องงูนะไั่นม่ละดับถือระไคร่นะคมอย่าอยาไปอยาไปกินนะนั่นไม่ละถ้าไคร่ชนคมที่กล่าวมานั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจหรักษาถือน่าไม่ต้รักขอใตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทานเทบาติพกนะในตั้งอกตั้งใจ ในการที่ทรมานจิตผู้โทในดวงจิตนะนั่นเนื้อแหละสกายคณะกรมขอยุติแต่เพียงแค่นี้ระยะเนื้อเชิญประกาศจิตทางสมาธิเดียวการประกาศจิตนักนดังสมาธินะเมื่อขวาทับเมื่อซ้ายมือขวาทับเมื่อซ้ายจํานั่งเขาจะหมาดก็ได้นั่งก็าเพือกก็ได้ไม่เป็นปัญหานะ วางตัวใหตรงนะเนื้อกายไว้แวกหนึ่งกายไว้แวกหนึ่งความสงัดทางกายได้ประการหนึ่งว่าใจว่าแวกหนึ่งหาไปคุยกันเสียงกบตตะกบคำพระเสด็จไปไดประการหนึ่งมัดโนไปแหวกได้ทน่น่ะคือหมายความว่าโอเปนิโกนเนาะบุคุณของพระผู้ดเจ้าเข้ามาในดวงสืบนะบริกรรมพุทโธพุทโธแ่งอยู่นะอืมนแ่งอยู่ในพุทโธทีเดียวเนี้ย ความแดงอยูนนี่แหละสําคัญน<ม>ักอความเป็นเนืองนะความเนื่งอยู่นะนั่นอ<ม>ืความสงบนะเนี่ต้องการในตอนได้มากพิโสดเทีย<ม>อหลายอภิบาลหนึ่งนะความแดงอยู่เช่น<ม>์นะจะได้ปัญญาของสมาธมันสอบเข้ามาดวงจิตนะ ม, มันสอบคนมาเทียวความเนื่งอยู่แล้วก็สอึ้นม า, านมั<ม>่นออความอดิจารนธรรมเกิดขึ้นในดวงจิตนะอืม ถึงไม่โลภะโลภ์ขึ้นมาสูงมาเง็นจะมาเห็นเหวินขึ้นมามันบ่วนมันสอขึ้นมาเนะนี่ยนั่นในแหละก็กําหนดไว้ก็ย เ, เกิดขึ้นในดวงจิตเทเรีย hmm. เขาเรียกว่าปัญญาสมถะปัญญาสมถะนะเป็นกรณีที่แวดล้อมแวดล้อมเนะ hmm. นี่ยแวดล้อมเนี่ยรักษาสมถะให้มันคงเทเนียสมถะนั่นเะธนะอไหมไอ้ความสมธะมือสามเศษนะ ขั น, นธิกาสมาธิหนึ่งอุเชระสมาธิหนึ่งอปนาสมาธิหนึ่งเอ่ความเป็นหนึ่งนั่นเองแหละไม่ใช่อื่นไกลเงี้ยใ น, นกรณีแวดล้อมหัวใจของเราสมถะนะเงี้ยในตอนหนึ่งและในตอนเดิ่งนะให้ระวังเมืเ่อแล้วเกิดเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยอย่าอย่าตั้งอยู่ในความเป็นหนึ่งนะยกเกตคุณโสวิปัชนนาทีเดียวเนี่ย วิปัชนานะเทเน้คือห ม, อยมายความม่าแตัเนิ่นโสดดูอาย่วะร่างกายสังขาเนะี่ยนั่นแต่นิโสดดูอายุวะร่างกายสั็งขันนาตาเนะ่ยือมูตไททั้งแจนแนมันนะนั่นอ่อถือ ก, ก็อกดูอนะ่ะถื อ, นะอถ ก, ก็ดูนะนั่นที่ยั่นอ่ะถือก็ดูเทเดียวก็ดูขาอย่างไงา ย, ยื่นแล้วก็ดูอย่างไงานะี่ก็ดูถือขาหรือที่ไหนนะเนี่ยอ่ก็แล้วแต่จะถูกเฉลยทั้งตัวนะนั่นาหนดดูอะดู แล้วเท่า้ก็อย่าไปทิ้งทุกขออ์หลังดวงจางันตานะให้กำเนดไปตอนนั้นทหารเสียเนี่เมื่อและฉันใดต้องขวบกลาดอันอวยวะร่างกายชังขานนะทุกขออ์กลังดวจางอันตาของเสวตนะของาขาดขานของเรานะนั่นพระถก็ดดกนะนั่นไม่เห็นสะดุกนะและเท่านี้นะ้าก็ไม่รู้นั่นพระความาณซีก่อนก็โดกเป็นเน น, น, นั้นเช่นนั้ กะประมาณเอาขาดคะแนนเ อ, เอาเดาเอาเองซะก่อนแค่แรกนะนั่นทำไปไบ่อยๆทาไปไบ่อยๆอาไอความโรคว่างขวางแล้วไอความโรคบกช่งเข้าไปแล้วนั่นต้องการอาเนื้เอเทยานั่นเนื้ออาถรรพกระโดกนะที่กาศรีรษะลงไปถึงเท้าแต่เท้าขึ้นมาอารมปฏิอรมให้ชํานาญมากที่สุดเนื้อขันใดห้อยต่างอกต่างใจขึ้นนั่ น, น, น, นและอิปการนะ้รวยไหอารมณ์นเนื้อไม่ถูก ถูกอนาปาโนสติกล่าวคือเราลดถึงลมหายใจได้หายใจยังยาบก็รู้จักหายใจยังกลางก็รู้จักเหลือแยกก็รู้จักนะนี่ยไม่กำหนดนาซิกนาซิกนะแี่โหมูกนะมันผ่านจง่หมกนะประการหนึ่งเหลือเทไม่กําหนดแต่ตอนนี้นกําหนดสัตย์เท้องน้อยนะมันผ่านนะกาหนดนะลมหายใจเรื่อเรื่อยเรื่อยเรื่อยเท่าไความรู้ความฉลาดนะเนี่ยรู้เดียว ร, ร, รู้ลมหยาบมันก็รู้ลมยางกลางกร็รู้ลมอยางละเอียดคือโสดนะนี่ผ่อน ล, ลงไปผรไปหยุดลมหายใจนะนี่หายใจทุกเส้นขนนั่นเรียกว่าปฏิภาใน็ดหายใจทุกเส้นขนนั่นเรียกว่ามั่งกายมังกายนะนี่อิสระนะเ <c oughs> นี่ยเป็นโอหานย์นของท่านจากคนเลยจงสอนจังหวัดพระนครนะโหหันย์พระอาจารย์มันนะ อื ร, รักษาพุทโธพุโธนะนั่นพุทโธแทนอนาปานุสตินั้นรรและที่ไม่ได้ใครจะมั่นสอนะสอกคนลบุตรนะรพระเนรจะหาท่านระหว่างที่ท่านอยู่ถูกนำบานผือบานใดนั่ น, น<ร>ท่านบอกว่าขวกักไขวนพระเนรนะท<ร>่านทั้ทงหลายได้เรียนกรรมฐ า, านห้ามาแล้วนั่นกรรมฐ า, านห้าเนี่ยสำคัญนักที่นักเสือมัวร์ไทยเขบอกว่า พระอุบาองค์ไหนนะ่ะอุปสมบทคนละบทแล้วหากไปบอกกรรมฐ า, านห้าเราตัดมรรคผลดื้อ่านของคนละบตเตอได้เทียวเ<ม>นยขันอื<ม><ม>เกศาเลยมาณะขาทันตาตาจอนะเอาเอาทาทเแถวขึ้นสอนนะนีะ่เอาทาทขึ้นสอนฮนะก็เพราะอย่างไร <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายสัตว์ไร้ขาทนะั้ติดาทาเทียวเ<ม><ม>ตดวันณะวันณะท่านอาจารย์บ้านว่าอวรรณะวันณะนะเตดวันณะเมืม่อเตดวันณะแล้ว ขวัความในดวงตื้เอาสันโนันโนเกิดขึ้นในดวงตเแวน่เอมว่าชายคำว่าวันละของผู้หญิงนะสันโหนเกิดขึ้นว่าเยิ้คนนร่างอย่างั้นง่าอย่างั้นอัยสายอย่างั้นเนี่ยเขาอ่านแน่นนแล้วได้ผู้หญิงอ่านผู้ชายวันละเกิดขึ้นอย่างนั้นบุกร่างดำต่ำขาวอย่างนั้นวะของผู้ชายสง่าอย่างั้นน่ แล้วถ้าต่างขนต่างกําหนดนะยงส ก, กานนะการหาน่ะมันดึงส ก, กานนะงานทำ ม, มันดึงส ก, กาแล้วแดงแล้วมันดึงลูกคำสกานนะเมื่เอเลี้ยงดึงลูกคำสกานแล้วทำไม่ว่ามงคลเป็นโถสิบเมียกันเอาวเอาการใหญ่แล้วเนวี่ยเพราะปวดปวดลกปวดห ล, ลานเกินขึ้นแล้วเนี่ยเครื่องเครื่องผูกพันนะเนี่ละมันติดวันละวันละเนี่ยต้องให้เส้นวันละให้เส้นขาด ตัว well. นาาสอนเจ็จนะตัวนาธาสอนเจ็ดยาวเจ็ดสอนธาตุนะเอาธาตุสอนเจ็จนะุัวนาธาห้ละลายธาุจะเห็นธาุที่นะมังกยนะเออละลายธาตุเห็นตุกขาอันใจังแนตาเดียวละลายเดียวน่ะอำนาจความละลายอำนาจตุกขงอันใดจังนาคากองหารแ้วเนี่ยแรงเสบุทธไทยนะว่า ซักสะพานซักสะพานไม่มานไต่สมได้น่ะซักสะพานในที่ไหนซักด้วยสมถธไม่ได้ไม่ไหวโดยคนเอกเท่กล่าวเคยสมาธินะ่ะช่วยไม่ได้คือหมายความว่าความสงบทั่ว ข, ข่าวมั่นติดสมาธินะนั่นสมาธิเ น, ในใค่คล้ายสัญญาเห็นขับยานะนั่นเมื่อเอาเห็นขึ้นแล้วอยาต้องเกิดคนเอกเท่นั่นะ โชว์ปัญญาไม่ได้เทียทุกขังดุจจางอันตาเนี่ยประหารเนี่เป็นสมบทเหตุประหารเธเดียวเนเป็นความรู้ความฉลาดของพระอาหารหันตุนาศนะนั่นภัยรัชนะทุกขังดุจจางอัตาเป็นอาวุธของพระอริยญาติทั้งหลายเป็นอาวุธของพระประเจกเป็นอาวุธของพระอาหารหันเธอนั่นสําคัญ น, นักไม่ติดต่อ อะไรอะไรทั้งหมดนะอถอนอุปทานความเยือกถือได้ทีเดียวในตอนนี้นะเป็นตัววิปัชนาตัวเป็นตัววปัชนาเดียวนิคว้านิ่คว้าเดียวนั่นฮะอุบายหาอะไรความเสื่อมความเจริญของอวัยวะร่างกายต่างๆนะนั่นแล้วถ้าไม่ไเนื่ยแล้วก็ไปเชื่องกับอารมความเป็นหนึ่งอยู่นั่นสงบนะเพื่อพ่อประโยชน์ยังไงความเหนื่อยแล้วนอนนะนั่นอืม คาสงบไม่แล้วนะและ้วเธอหายเหนื่อ ย, ยแล้วออกมาออกมาพิยาคณะโสตนะิเธอนะเอ็นันพระโยคาวาจรเจ้าคณะอบาศกอบาศิกาทั้งหลายนะต้องเดินสองสนเสนเดินสมถทหนึ่งเดินอุปัชนาเดินะ น, นแแแแแะแกแกแกสแดดแกอาชวะใคนาศของเรานะพระพุทธเจ้า ก, กว่าแกโดยวิธีในพระอระหันต์สมบัติกาเนะ่ะแกเดินมาใคราแกนะ มักให้ถูกมักให้ถูกนะปัญญาเห็นชอบดําไริชอบเจริญชอบกันงานชอบนะปัญญาเห็นชอบนะเห็นอวัยวะร่างกายสังขารนะมันไม่เมืไม่มันไม่เทียงนะเจนขปายทวันอันเดียวนะมันทํางานตึงตังตงๆอยู่ในกลางอยู่ที่แรกนะอย่างตอนเจนขปายมันมาแค่ทางกลางทํางานตึงตังคคล้ายเครื่งจักนะประโยชน์สารมันคลายออกนะเก่าเายาทวานนะอ่า ในพระอาหารหันเจ่าทั้งหลายเห็นความเกิดก็เห็นด้วยความแปรในทรามกลางก็เห็นด้วยความสลาย่ยนที่สุดก็เห็นด้วยเหตุ น, นี้นิอนยอมก า, ารเสรรดงกับผู้เดียกยาของเรานะนั่นอาทิกระยานางองค์สมเดชพระผู้เมื่อทอคเทิเพราะในข้างต้นนั้นจะะมาณหนึ่ง ม, มัทแชกระยานางองค์สมเดชพระผู้เมื่อทอดเทั้งเพรา ะ, ร ะ, ระในทรามกลาง ปรวฐาเรเกรดนะระยะสารนิกรยานดนาังอันองค์สมเด็จพะ่อพมีอภากนะแค่เพาะนาทีสุดนะนั่นเนี่และไอ้ความรากักเลเรตนะรกักเกเรตเป็นสองวิธีสมรชาหนึ่งวิปัชนางนะสมรชาเนี่ยสมาธิชอบนะมันมีอยู่ในมากแล้วนะและไตรลักษณะรัหาเรวองเกศนะอ่าก็ไม่อยู่แล้วปัญญาชอบปัญญาชอบนะนั่น มัญยาผิดแต่ทีนี้คือนหมายความว่าอาวัยวะร่างกายสังขาทั้งหลายนี้ยังคงอยู่ยังงามอยู่ยังเป็นก้อนอยู่นะละลายไม่ได้นะนั่นเนอและหัวหลวงอยู่นะหัวหลวงเบลเมลหัวหวงหัวนะหัวทรับสมบัติรถบรรทุกทุกอย่างนะนั่นหัวข้ามาโดยดวงอิตแล้วนะเกิดปัญหาตันอยู่แล้วหังแล้วนะเนอเองนละมันเตดธาต์้งแก้ธาเุเลยนะเนอเคือนหมายความว่า <c oughs> น้ำตักเอาน้ำบ่งนะนันประกาศหนึ่งใครไม่ที่ไหนต้องดับที่นั่นนะนั่นครานที่ไหนต้องเก่าที่นั่นนะนั่นเอตแ้นมาติดวันนะ่ะส้งแก่วันนะ่ะแกทาสอนเสถียร ท, ยทาละเอียดแล้วติดตรงละเอียดนะนันยกกรรมาฐานหาเดี๋ยวพระอรุเบกายกกรรมาฐานน่ะเอาทาสอนคนลบทนะเอาทาสอนคนลบทไม่แช่เอาเสืยนะมันโนบพังค้ามโนประเสถามโนมายาไม่ใช่เท่นั้ น, น, เ, น, เ, น, นเอาทาเสถียสเนี่ย ่าจารยนบ้านทาารบอกว่าพระอบรุบาชาคนไหนไม่บอกสมภารห้าแสกของระบบแล้วนั่นตัดมรรคตัดผลโดยคลองเรียกนั่น<ม>ผู้ที่ผู้กุรอบที่บทใหม่นะนั่นแล้วเอกสารหนึ่งเวลาเนะี่นั่งเข้าพุทโธพุทโธในดวงเศษนะให้คลังอยู่ในดวงเศษเนี่ยรนะึกษากรณีปัญญาสมรรัเกิดขึ้นในเครื่อง้น<ม>หมายความว่า ยานะอย่าคิดตั้งแต่เด็นะแต่เดีกถืร่วงแล้วมาอันองส์สมเด็จร่างของเมียพาไปไม่คิให้นกเตี้ยนะซึ่งใดมันร่วงไปแล้วไม่ควรคิดคนนกให้มามาโขมาถมา ป, ปัจจุบันนะคิดนกตาคืเนี่ยมาผม ป, ปัจจุบันมันยกติดปัจจุบันไม่ควรซะแล้วนะ่ะเจ็บไม่สว่างเจ็บไม่โปร่งซะแล้วนะนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนะั <c> ้น <oughs> ไม่คิดถึงอดาคตนะ อนาคตที่ยามมัมาถึงอย่าอยาที่องค์สมเด็จพระพุทธมเหภาคามหามช า, าวโลกน ะ, ะส่งยายังไม่ถึงเราอยาอยาคนคว้านะนนคนคว้าแล้วมารัศปัจจุบันมายกเก็ดยกเก็ดไม่ขึ้นนะแหวนั้นหัวแหวกอดเดตออกแวกอานาคตออกนะในชาระปัจจุบันสําคัญนะประจบประจบปจัญญประชดนะคนคว้ายานะ ให้แสนพระจอมบานทุกขงังในจังนาะแปลงไงไงยยังไงนะกะ็โดดยังไงนะ่ะเยอะนะก็โดดยังไงเอาอันเดียวนะอย่าไปเอามากไปได้เสียว mm hmm. อือนนาปานตุกเ้าอันเดียวนั่นอืพระทองเอาอันเดียวนั่นอย่าไปเอามากไปได้ไหมแหะนั้นอนองค์สมเด็จพระพาาุทธพาธธรรมมานองอยู่ที่ปาติฤติมฤทายวันในกลางดัน <c oughs> ทงองเอานาปานติกอย่างเดียวนะอ่าันอนาปานติกอย่างเร็ว ถ้าลมณ์ๆนะแง่แยะเทเรตลู่ถัดน้ําลูกถัดไฟลู่ถัดเดินก็เพราะอย่างไรเสียชาติเป็นเป็นสหายขาดกันหาว่าลูกถัดอันหนึ่งแล้วลูกหมดเถื่อนเหตุนั้นโคก็แล้วเหตุการณ์อนาฟาโนก็เตือนเนี่เขาจะแก้กำหนดกําหนดเถื่อนนอืนกําหนดเข้าไปกําหนดเข้าไปอ้าวแม้จะหกเตือนนะหัวเยินไปนะเกือบนะไม่สมบันะก่อสมบร็จได้ สยามพพุทธะเกิดขึ้นในท้องในในหัวใจนามประทายของคนเจ้าที่เราเป็นคนเจ้าไงเนื้ออันเดชสำคัญนะยาพิษคนขว้าที่เรยกตัวอย่างในสมัยหนึ่งเพราะหมาบูดนะยังไม่ได้สำเร็จการใดเทิดเต๋งกุงกับิภฑพนะเหม่แล้วเป็นกาสาดผ่านมาแล้วนั่น เคล็ดถึงนางสนมหกเมืนะเครื่องหนังสกิรราชเครื่องหนังกุริยะราชสาบิดาสามันดานะมาผสมนะนางสนมหกเ ม, มือนะนะ น, นั่นวันแต่นางไกรษัทสวยงามโดยสดนะนั่นะคือกรองของพระโพธิสัตนะว์ไในกลางนั้นแล้วแล้วก็เคล็ดถึงนางพานางเอกเกิดขึ้นข้างนั้นเคล็ดถึงล้หุ่นมงกุราตุมังเกิดใหมนะ่นะน ว, วางนั้น <c oughs> น้ำใจโพนิศาส์นะคือกลองสันนัอามันใหญ่มาแล้วเทียวไม่คือจ<ฤ>มาบางอะไรลองลองมาถืดดาเถิด อ, อาวุธมาทุกอย่างเลยคล้ายจะแย่งบันลังแย่งบันลังของพนิศาสต์ในครั้งนั้นตอนนั้นพระมหาลุกม ร, มรชดชนดงพระทายกลัวเทียวนเอา ม, มือออกจากตักนะวางหน้าตักนะดน นี่และอันตรายนะอดีตอันตรายถึงขนาดนั้นอง์สมดพระพิมีพัทเป็าวุธทีนักเรียนคิดนักปัจจุบันสถาคดนาชนะจรดปัจจุบันนะนะชณะจรวดปัจจุบันนะนั่มตอนนี้สคัญมากเลยสุดนะหลายอุปกร่์ปัจจุบันธรรมะนั่นทานยานบัณานะหัวนึ่งแขนสขา2องเลยพูดในสมุทยนะ ข้อสำคัญมุตุไทยสำคัญเป็นวาจาของท่านอาจารย์มันในระหว่างท่านจะมีชีวิตอยู่นั้นรับรองรอยเบอร์เซนท้่นัแล้วอีกประการณ์ของไอ้มุตุไทยนะทรายก็เห็นแล้วว่าอาราหารทอมโกฐานอะไรอันหนึ่งนะนั่นอกฐ า, านอกฐานอะไรอหนึ่งนะนันสมมติว่าพระพุทธเจ้าโกฐานอะไรปานสตินะ มากมากก็ไปมากก็ไปอ้าวบรรลุไดเ้เถอะนี้เพราะฉะนั้นมุนนักเสือมุนตัวไทยอธิขดุกอธิขดุกนะเนี่ย<อ>บริกรรมเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอ้าวไอความโรควางขวางนะอ้าวความรู้ความรู้ลึกเซ็งนะนั่น<อ>ลึกเซ็งก็ไปทำเข้าไปนะก้าวหน้าเรื่อยๆเถอะนะนันอย่าให้ขาเป็นวักเป็นตอนนะนนเออแรงๆนะกลายเป็นบาทเจ็บนะเหมือนตัวเป็นเกลียวนะแต่ว่า เดินบักให้ถูกนะน่นพร้อมอย่างที่กล่าวมาเนี่ยเอาทาไปทําไปไ <c oughs> อความรู้ความฉลาดนมันลงไปถึงเพลนแล้วเนี่ยมันขามขันหาไปแล้วเนี่ยโ <c oughs> ลกเรรนาขัญยาสังขารเบญาาไปแล้วเนี่ยเกิดยาณาพัชนะยาณาพัชนะ ลักษณะด้ถึงเนี้นะความรู้ความเฉลาดของพระอาหารคินาศนะยานะยานะแต่ก็รู้นะแ <c oughs> พชนาแปลความเห็นนะเห็นอะไรเห็นอริยสัตว์เห็นของเจงยียงเดียวนะเห <c oughs> ็น <c oughs> ทุกนะเห็นส ม, มุรทรรนะเห็นนิโรโทนะนิโรธนิโลธนิโดโ ท, โ ท, โทปแปลวําทมแจงนะแจงในทอดนะนั่นใาดปิกดูนะนั่นแย่แจงในทาดนะอดัปปานิตินะนันน่ น, น, น, <c oughs> นแจงเทียง โลกแกงแทงกรอดัอีกด้วยนะแกงทั้งหัวแท ง, งททล ง, ง, ททงไปถึงเท้าเถียงโลแกงถึงเท้าแทงลงไปถึงศีรษะนะอันรวมมร ะ, ะลมบ่อยๆนะนันไอ้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นสแล้วเถียนี่ยผู้หญิงเรียกว่เมทินะปราผู้หญิงนะผู้ชายด้วยอันเมทานะปราผู้ชายนะไอ้ความรู้ความฉลาดสาคัญนะเถียงถ้าไม่บ่อยๆนะเนี่ยเท่นี้จะต่อทำให้มากนะน่ยมากเท่าไรเท่าไรนะอ้าวอืมชัดติโกนแน่นหนาเรียงเนี่ย กันกันมันว่าตีเป็กนะตีหมักมาเข้าไปอ่ามันแน่นเองแน่มันแน่นเองแน่นเองนะแน่เนี่ยแหละอืออือแรกนะไม่เห็นนะภาวนาไม่เห็นนะก็ประมาณอาชก่อนนั่นเป็นส่วนนั้นขาดกัในอาชกนั้นเป็นส่วนนั้นดาวอาชีพก่อนนั้นมันยังไม่เยังไม่คุ้นเคยนะเนี่ยเนี่ยทำไปบ่อยๆก็ไปแล้วอ่าวงานหนักงานหนักเข้าไป วางอุเทบะเข้าไปนั่นเราเลยทําให้มากข้ไปนั่นหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปนั่นด้านนี้เดินมัดให้ถูกด้วยนะนั่นแล้วก็เดินอย่าเป็นวักเป็นตอนนะนขาตรงขันขาขึ้นไหลกลองนะนั่นนั่นแองนละให้ความโร่ความฉลาดจะไระด่งขึ้นมาในดวงจิตเดียวเลยมันถ่ายถอนนะไนถ่ายถอนบุรีชนเจ็บบุรีชนเจ็บหนาด้ยราคาโทอฉาหมาถ่ายออกไป แล้วนีนะจิตอริยาเขาไปแทนนะอวิชาออกไปแล้วอิชาเขาแทนนะนั่นในเรื่สำคัญนะเถือนอจันมันทันทอีกว่าระอวิชาอาวิชาขอปแตนเด็นหลายพหลายชาเถื่อมากรองปัจจุบันนะนั่นเมื่อกรองปัจจุบันเป็นอาชวะนะดำเพลสนะนั่นดำเพลสเพียงเดียว ดำด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยวดำด้วยความร้อนอาตีซึ่งแปลว่าไฟความร้อนในราคะความร้อนในโทสะความร้อนในโมหะเดียวนะดำเปิดเนี่ยคล้ายๆก็เลิกดำแต่สมกับผ้าขาวที่สะอาดนะผ้าขาวที่สะอาดกลายเป็นดำไม่ใช่แล้วเธอเนี่ยต้องเอาใส่อะไรไอใส้เชื้อบูนะเชื้อบูคล้ายๆกับโทผูโทนะนน่เอาผ้าไปใส่จำปางเอาน้ำใส่นะน่ ยานะเทนะ่นี้เมื่อขยี้นะนั่นเมื่อขยี้เดืนเนื้อแล้วเอาไปลาลายน้ำละทีเที่ยวไหลเที่ยวนะนั่นควันดํานั่นมันไหลไปตามกระแสน้ำเที่ยงนั่นทําให้ผ้าขาวสะอาดได้เที่ยวนี้พุทโธพุทโธฟอกหัวใจเห้ประเน็ดได้เทีย่ยวนั่นอํานาจพุทโธนะเมื่ออํานาจพุทโธในดวงเกิดแล้วนั่นเกิดมโนภาพใจโตเทียวเมื่อเจ็ดสงบนะสอง เกตไม่รักช่ำเหมนะนั่นสามเจีตมีอํานาจนะนั่นอํานาจพุทโธเสงในดวงเกีตนะเพราะว่าได้เจ้าประทับไปล้วงเกติของใครคนน่านอํานาจใหญ่ทีเดียวนั่นดวงวาทนาเขาใหญ่อํานาจเขาใหญ่ทีเดียวเป็นมนุษย์โกเจงอยู่นะเป็นมนุษย์เทโวเป็นมนุษย์เทโวนะนั่นมนุษย์โกเจิงอยู่นะถ้าต่เจิงเกียรติในสะงด้วยธรรมะทีเดียวนั่นอำนาจพุทโธเสงในดวงเกียรตนะนน แล้วก็นั่งเน่งอยู่ในพุโทโธนะเน่งก็โทรบอกว่าความที่เน่งอยู่นะย่อมแก้ความสงสัยได้นะ่ะอ้ามันเน่งอยู่มันเห็นนะอ้าวมันเห็นความแปลนะนนเปลนี่นผูกขังได้จังงาแปลในนั่นเที่ยวแก้ความสงสัยได้เทียวเน่นมันเน่งอยู่นะเน่นเปอนการนี้เบิดล้อมสมาธินะเน่นสมาธิความเน่งอยู่เข้าทาน ปัญญาวิพัฒนานะยกเจิดขึ้นสูงกว่คนี้เทียวหานะยของอวัยวะร่างกายขังขาของลราไม่เทียงนะนั่นเพราะน้นมันเสื่อมวุ่นายท่านอาจมันวะธรรมะทั้งหลายมันสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนไม่ไม่เปิดไม่ปินะสว่างนะเนี่ยมันไม่สว่างแต่หัวใจของเรามันเดือดเดือดเที่นั่นสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนเคหมายความว่าสงบาโรสังรวมดู ในร่างกายของเรามันทํางานตึงตงตึง ต, งตงอยู่นะนี่เอาอมือคำเหมือใจมาถหตุลงเหตุออกมาเรียงอวัยวะร่างกายทั้งขานะนีะ่มันแปลมันผลปั่นอยู่เนาะอะว่างโลทั้งภายในอวัยวะร่างกายทั้งขานะกงกับคำทิศท่านอาจารย์บ้นานท่านกล่าวนะนีะ่ระวางข้างนอกโลนะเอ่าคือหมายความว่าดูต้นไม้โวก า, ามันเคลื่อนที่มดทุกอย่างเพียงนี่มันแปลเพียงมันเหลือวิสัยนะ เป็นแานละไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นของบำเพ็ญอย่างเดียวนะเป็นของกครือหัดไปนะเป็นสานุมวานาขาท่านตาจะโจมไม่ใช่มือเพรพระแต่ใเนี่ยาตาโยมกุมมือนี่ยไม่ครบม่ตังอย่างท่านอาจารย์บ้านท่นวานะนีอันยังมนุษย์แสบมนุษย์เลอะเทเลียวชมพูอันนี้เป็นชุมพูที่เลอะมากที่สุดเทียบถึมบาลโลกสวรรค์ไม่เลอะ อาบายพรมทั้งสีในเลอเทียพยาคุพยนาเป็นอาภัพมงคลไม่ขวงแต่รรมาวินัยน่นเมตเลอดนะน่มันเลดมันนย์นั่นมันนด์เป็นที่ประชุมใหญ่ประทุมใหญ่คล้ายกับว่าประเทศไทยนะเจ็ดสบเจดสธรรมดารถไ้รถไฟนะไปชมเดหัวลาโพงนะประเทศไทยแล้วท่านี้นะรถไยนะจะไป ตามจังหวัดนะนั่นมันออกไปจากหั a ดำทองมาเอวอเรตของมนุษย uh, ์ลเหมือนกันันออกไปจากเป็นเอ็นเป็นมเป็นลายเนี่ยเป็นนรกเอเวอเมันออกไปจากมนุษย์น่มนุษย์มนุษย์เนี่ยมนุษย์นักละโกน่งมนุษย์เตร์หน่งมนุษย์เดรคาเดรคาโน่นึงนะนั่นมนุษย์นะเทวาหนึ่ h เทวดาเนี่ยมนุษย์ พระเจ้ามนุษย์ประเสริฐมนุษย์พรอาหารหันต์มันกลั่นเอาไปจากมนุษย์ทำงานที่ของเราเลยนะนั่นเอความไดความชั่วทั้งหลายกลั่นเอาไปจากมนุษย์เองเอามาเอพวกเรานะเวลานี้นะ่ะมาค้าขายนะขาดทุนขาด ท, ทุนใหญ่ในคราวในี้เทียวหัวจะรวยใหญ่ในคราวในเทียวนะนั่นแล้วก็เทเวสของสาธนานะเทเวสเนี่ยในในระหว่างที่พระเดจ้าของเราเนะี่ยเรามาเกิดนะเทเวสน้อยที่สดเทียว แม่องสมได้พระพระเมรุภาคแปดสเปร์แปดเปนิดเดียวเนี่ยน่ไม่เหมือนแต่ศาสนาองค์อื่นนะปวดแขนหงเหงเหมือนนะปวดตาคมเฉยเหมือนแต่เชโปสองเหมือน่ะเจ้าไม่กลายเนะยแปดมือนะนแต่ขอถึงนั้นไม่ตายนะนั่นแน่กพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจอาต่รย์พระอาจารย์กล่าวว่ามโนตตายแล้วขาแบบก๊กไม่เดียวนะหายไปนะนะ่ันครพัน ทำคำาีดีทำก็ทำไม่ทำก็เสีย่าหญ่ในข่าวในเทียนะสนี่ยหกนะขัดเกบเป็นมากทียสเนีอย่าให้เกิดเป็นอนาถานะเนะี่ยโดยตามพดโทในเบอร์สองเสนสามเสนพุทโธพดโพทโธนนะักอย่างหนึ่งตามธรรมดานะ อ, อยังยังตามที่โคตนะเนี่ยยังกลางยึ่เสียงคาตึงพุทธเจ้าให้มั่นนะเนั่ยยังกลางยังกลางย่าโเครนะไอเสวิทของเราของรักนะอ่านะตัด หัวถวายในพระรหัสของคนในเจ้านะนั่นให้ของรักเป็นทานย่อมได้ของที่รักของที่เปิงใจนะนสามระยะเดียวบริกรรมพุทโธนะบ้านนศบ้านนศนะมันไม่ครบบทเจ้าวัดมาได้ศกอย่างเดียวทุกไม่มื่ออเลศไม่พออบายพรมไม่แต่ทุกอย่างเดียวไม่พอ มนุษย์นะไม่ทุกข์ไม่สงบตายไม่มีโรกมีมรรคอทุกอย่างเดียวเนียให้ได้อกในใจว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นะอะหญิงก็เป็นหญิงที่เลิดแล้วเน่ยชายก็ชายที่เลิศแล้วเนี่ยนัมมน่นธรรมะเป็นนายองค์สมได้พร ะ, พร ะ, ะเป็นพระเพชแล้วก็ไปองเลิศนะใลกายกบว่าพาที่ประเนินะอ่ปาประเนิดที่งามที่สุดนะต้องยินดีต้องได้รับดาที่ประนย น, นะนั่น ได้ที่แล้วๆมายับไม่สมควรได้ที่ปรนได้ที่รักเนี่ยขอสาบอุเทวะยาคิดอเดตนะยาคิดอนาคตนะให้เปรีอื่นทัง้งสองอย่างเล้นะนั่นคดควานในปัจจุบันประเจกประเจกอีปัจจุบันปัจจุบันประเจกปัญนายปัจจุบันเนี่ยสถาครตนชนะจ็ได้ในปัจจุบันนะปัจจุบันนะปัจจุบันในอดีตในครับ สมถะปัญญาเดิมวิปัญนาปัญญาเดิมฉันสมถะปัญญานั้นจิตสงบเทียวนะแต่ความแดงอยู่ในทีงนั้นปัญญาฉันแค่ไม่ส่อเข้ามาในดวงจิตนะนั่นอาภิญญ์เทียวถึงได้ไม่เคยไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นถึงได้เกิดขึ้นอไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเดียวน่ะส่อเข้าในดวงจิตเนี่ยผิดผูกเลยไงส่อเข้าในดวงจิตนะนั่นเป็นปัญญาสมถะในกรณีแวดล้อมจิตเทียว ป้องกันป้องกันในความอืมอนความสมาธิเกิดขึ้นในดวงจิตขันได้ก่อสมาธิหนึ่งอุเชระสมาธิหนึ่งอัปปนาสมาธิหนึ่งกรณีแวดลอบไหนะแหวดรอบทีเดียวอไม่มีวอนรบกวนได้เทียอืบนั้นในอุปการในปัชนานะหมายความว่าเป็นหนึ่งแล้วยกเสร็จขึ้นสูขอิปัสนนาเทียบคนขวาเทียะไม่ละล ท, ทีเหลือตัวยวิทีแม่เทียวนัน สมาธิระไม่ไดเ้เกิดี่มิแต่ติดความสงบอย่างเดียวไงเหตุนั้นทนาารย์มา่านเป็นห่วงโยคาวจรเจ้าเกิดในสมัยเด่น่ะเป็นหลงสมาธิมาคือโสเทียติดลูกอ่อ่ติดมั่โลกเท่ว น, นั้นเปนอ่อนทางวิปัชนานะเลยค้ายเลยเสนะเลยเสยทันทั้งหลายเหล่านั้น<ม>อยู่ในป่าหิบพานนะ มากทั้งเหมือนเมินเทียวเอ่ห์เฮิร์นโดยล้กาดได้จ้ะสุดดาดสุนดัดฉลาดในการแสดงเลธิ์เทียวท่านเราี้วยนะแต่อ่อนทางปัญญาไม่อาจถึงมักถึงผนได้เทียวไมอ่อนนะเจ็ดได้เข้าเครื่องในฤทกิ์เด็กมากเทียวนี่อ่อนทางปัญญาฮะไม่เหมือนท่านพระเดจจาทั้งหลายไม่เหมือนพระเบเกชนะพราะอรหันนะท่านแก่ทางปัญญาท่านชำระในดวงจิตเป็นสมบูรณ์เทิดในปางฐานนะเนี่ย เนอละฉันได้ก็เลยให้ความตั้ง อ, อกตั้งใจอย่าประมาทเียนะความประมาทนะอย่างว่าบ่อยๆนะคนประมาทนั้นอายุร้อยปีหามีประโยชน์ไหมนะถ้าอยู่ในโลกแล้วก็ทําบาปเรื่อยๆเธอจิตสมองทุกวติย่อมได้เีธอแม้ทั้งร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เธอเนี่ยอยู่ได้นานเท่าไรยิ่งทาบาปประมาทเธอให้ต ก, กนรกให้ตกนรกเ ล, ลืกสึง่งกระไปเดียวนะคนไม่ประมาทนั้น ไม่เทเวศคนตายไปเดียวตายไปเดียวนะทนี่ในพระไกลพิดก ว, ว่าวันหนึ่งแม่เลิกถึงธรรมะบ่อยๆอะไรบ่อยๆเทมระในโลกเวิดบ่อยจิตมีเป็นวิหารเป็นวิหารธรรมมีธรร ม, มะเครื่องอยู่ของจิตแล้วนะแม่เธท่านเหล่านั้นอยู่ในโลกโลกลาเริงแม้ชทเวตไม่เป็นปายในโลกนะตายไปก็เป็นลาเลิงบนสวรรค์นะแม่ทีเดียว เพราที่ไม่ประมาทเอีิตจิตราเเดียวเพื่อชานะเอชาน่ความหมความปกติโลกสวรรค์จะเกิดขึ้นเกิดขั้นนะเจ็บหัดเจ็บไข้ฝึกหัดเจ็บเท้ยทุกวันทุกเพือนเธยต่อไปข้างหน้านะนี่ก่อพระเอี่ยงายบ้านเมืองทุกวันไเที่ยวเข้ขึ้นมากเดียวนั่เสพเทีมนนะนไหนก็เดจะเอี่ยมมือไแล้วนี่ทุกอย่างเธอยนี่ยข้างนอกนะน่นี่ก็เรือรถเรื่องลาตายกันมากเทียนี แล้วเทเด็กตอนเท้าก็ชุกชมด้วยนะนั่นเหตนั้ไม่มีที่เพิ่มแล้วนอกจากว่าพิพากามเสร็จแล้วน่ะนะสําคัญในตอนนี้ทีเดียวให้วากจดไว้ในศาสนานะนองค์สมเด็จพระพุทธพาพระองค์ไม่กลัดความในเสียรอมิตรบูชาพระองค์สรสริญปฏิปฏิบูชา ใกล้ต่อสวรรค์ด้วยานเดียปฏิปิบูชาในตีนี้น<ม>คือรักษาเพ้นเหวมันนะ<ม>ทาสมาธิเกิดขึ้นนะปัญญาให้สด่นดูอวัยวะร่า ง, งกายทุกสว่วนนะให้เบือนายนะให้ข้ามหมอดไปได้นะองค์ต้องการในตอนนี้เดียมาพิสด<ม>ววววเวทไววกเวกเียทำ า, าทาได้ในบ้านก็ทาได้ในวัดที่สงัดก็ทำได้เดียง ครั้งพอดการนนกรกรุงราะสือหามาะมหากรฆถาในกรุงใหญ่กรุงสวัสดีนะนั้นท่านเหล่ า, น, านั้นครองเลือนก็ทําไมสําเร็จโชดาบันได้นะวัวใจเป็นอริยาเจ้าได้นะความกัวงวลก็มากมายเหมือนกันก็ทําไมสําเร็จได้นะเช่นนาวสือ ข, ขาบินิกาสถรษีท่านเป็นพ่อขาแม่ค้าในสมัยนั้น จางวันทาขายของอย่างเต็มเปลี่ยนเทียเสนไม่ขาด เ, นะเทียนะั่นบวเ็จไม่ขาดเทานะบริสุทธิ์ดวงจนะินะนั่นและอุปการอย่างนะี้เอาทางราชการนะประยาพิมพ์สารถาพรยาเธอนะั่นอะวาการปรน า, า, านนพรในกรุงราชสุดหะกว้างขวางใหญ่โตที่สุดที่เลยนะ่นะในสมัยนะั่นกว่าไมนะั่นเห็นห่าของพระองค์ก็คงเทอยู่คำบวก็คงเทอยู่นะนะั่ ไม่ขาดไม่ดื่นไปนะนั่นเนี่ยแหละแขนดายกุลีให้ทานต่างอกต่างใจต่างใจให้มากเถอะให้รักเกไว้ทั้งตัวนะให้ผ่อตัวลงไปนะล็อกหมาทกมากที่สดนะลองคลังจะเป็นเน็ต น, นั่นแปลังใครชั่วหน่อยนะเวลาเช้าห่ารอยเดบกลางวันห่ารเดเวล า, วาเลาย็นห่ารอยเด็บนะนั่นยังมีการหันใจบ้างนั่นลกที่ล่องคลางเป็นเน็ตไปแล้วเนี่ย และแค่นั้นแะยกตัวอย่างว่าเคยคลายกับพระมารายหนึ่งพระโมคราหนึ่งนะเข้าไปไปเยี่ยมสัตว์นรกในข้างน้านนะอาจารย์มากกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายอาจารย์พระสององค์เลยล่ะระดับไฟนรกนายเทเดียวเดียํานาจมากคนะ่ในระว่างไหนท่านไปนะไฟนรกต้องดับนะ แม่อิสะาลอกนั่นลองเกล้ยวกล่าวเพียงได้รับความสุขหายใจได้อย่างนั้นแทขอให้พุธาิอยู่ในลกไม่หมักอย่างขอให้ระพาิอยู่ในลกเนี่นานๆนะตอนนั้นพรเพละบอกว่าไม่นานอาจจะมาเยี่ยมเธอชั่วคราวนะในชีวิตของนะมนุษย์น้อยนะของเธอไม่ต้องกลับต่างการในชัน้นอยู่ยังไงได้นะ่ตอนนั้นอิสระกลอกนะขอให้บกุกขอฝาคํา ไปมนษย์นะเ<ม>ดี๋ยวยาตายยายลูกหลานน่ะตกนรกแล้วเดี๋ยวทำความชั่วที่นั้นแล้วน่ะขอให้ท่านฝากท่นไปเนี่ยเขาอย่าให้พวกนั้นมีความประมาทหรือว่าข้าพเจ้าตกนรกอยู่ในอยู่ในสมัยเด็กนตอนนั้นพระอราหันต์ก็นายกรบมาบอกไปที่น้องแหมท่ากันลงหง่องหายเดียวเทียบถึงการเนั่นเท<ม>ียบถึงการเด<ม>ี<ม>๋ยวเทเนี้ยมันตกนรกมันสายเกินไปแก่ไม่ได้นะนะั่นคล้ายๆก็ว่า คนทำคดีอุกติกันนะฆ่าคนลงไปแล้วนะแล้วติคุกลงไปแหน่เราไปทําำคดีกว่านะมาลึกได้ทีหลังนะแต่สายเส้นตายแกไม่ตกนะนั่นนะในพุทโธพุทโธในดวงจิตนะการตายของเราไม่ข้างเดียวนะนั่นเมื่อหันแต่ทุกใหญ่โตนะไม่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอาจจะพาดนะควรเสียนะเอาใจพุทโธให้มันได้หรือเปล่าในตอนนี้นะนั่นแล้วก็ถูกอุปสงคเปิดดังนั่นแล้วถูกุลงระเบิดแต็มดัง พูดความดังการเดินตายในเดินความเดินหงายตาอยู่ฮะเดินอยู่นะนี่ความเดินอยู่ในวางนั้นเวทนามรรลาหารนักเลื่อนถึงพระโถได้ด้วยเปล่านนะอยู่ตอนเน้ทีเดียวนะี่ยไอ้ความชำนาญนี่พรนะโถเนี่ยสาคัญนักทีเดียวนี่ยจิ ต, ตที่ไหนเมื่อเกิดแต่ที่นั่นในวางที่เธอนะถอดใจจิตเงไปแล้วนะ่ยจิตจิตที่ไหนเมื่เกิดที่นั่นะคืออาตมาพวกบ่อยนะออย่างพระนะี่ย ไปบวชในสำนักพระพุทธเจ้านะคุณพรามคุนึดงเมื่อบวชแล้วเธอไปเดินทะดองเต้แดงเตที่สองมาเขาถวายผ้าฉาดในจังหวัดอื่นนะในเมืองอื่นนะนั่นหยาบผนะ้าฉาดในะตอนนั้นหยาบนะมาฝากศิษส า, นะ า, าไว้นะมาฝากศิษสาไว้ แล้กวก็แท็ก็เดินทดลองเรื่อยๆไปอ่าพิสามาเกลดูนะเป็นของที่หยาบมะควัดมะความเนี่ยนั่นไม่แค่น้ําเสียใหม่มาเกลด์ทอเสยียใหม่เป็ของสิดประเน็ดไให้น้องชายด้นะต่อไปน้องชายไปอริจังมเมเถียงจีวรนนะไปบวชมาไม่ได้ถ่ายทอนะนะ่นเขาเรียกว่าจีวอนสำรุลให้คาคลาไปแล้วเท่านะั้น่ไม่ใครถวายในในข้างนั้นแต่ต้องมาหาพิษาทวงอภาเกืนนะนะ พี่สาวเอาให้ส่งให้เธอเธอมาครีดดูใช่ของฉันนะของฉันใหญ่กว่นี้นะตอนนั้นพี่สาต้องปลอบใจเธอนะเธอเป็นน้องนะแผลบวชนะฉันรักเธอนะ <Yeah. S 1> อแผลจะเอาญาติออกจากนรกนะ <Yeah. S 1> ถ้าฉันแปลของอยาให้เป็นของเสนให้เธอใชายไนะตอนนั้นพระฤีอกฤีใจหอบผ้าขวัดเศตษฐพนเะนี่ยแม่สิจใจของนางนะยจ่าประสงค์ทั่วแยบเฝง อ้าวแย้สเนะ่ยยอดได่งามพอแล้วเดียงพระองค์นั่นนะ่ะพับไปบนหัวนอนนะขึ้นขึ้นลงลงกดนะทุกข์ขึ้นบ่อยบ่อยนะหัวใจเปิดเ้าวเครืองนะ้วจีวรเนนีะ่ที่ประเนตนะอี่งามที่สุดนะได้อันนี้ยังไม่เพียงเธอตายไปซะแล้วเนี่ยอ้าวเป็นเลนซะแล้วเป็นเล็กเเถอะนะหัวจีวรซะแล้วเถอะในคราวนั้น พระพุทธเจ้าแตอกนะ m ม่เหมือนสีศอกทุกวันนี้นะไอ้ความแตศอกในตอนนั้นไอ้ความเต็มของเธอนะเรดตงไปเป็นแรงตัวเล็กๆเนั่นหวงจีวอนนะนั่นเธ้จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเกิยของพระพุทธเจ้าเทียนธรรมดาพระพุทธเจ้าเวลาช้าฟองบินบาสนะขันบินบาทเสร็จแล้วบันโมนะนั่นถึงเวลาเย็นประมมยามพรองคให้อว่าแกติโสปินอาสกุบาติานะนั่น ใ้แทะเทียของธรมารย์ในพวกนี้เดียวไหนแล้วที่มาถิมพยายามกังเคยนะองแก่มัญหาเทวดามาจากตุนิทังเศนะไหนเตื้อให้ความเพิดของเทวดาออกพิมดวงจิตนะไหนประชมาจะหมายนามคือหมายความว่าพระองค์หน้าแพงโดนะใครจะถูกนายามของสถาคตนะไห่งไปเบ่งมาแพงเทเวทั้งเศนะเข้าไปเข้าไปในวัดของพระองค์นะนองค์ก็นึกในปรทศไยว่า เมื่อวานเธอเนตรพละนะที่ตายไปเกิดที่ไหนหาสวรวันไม่เห็นแต่แล้วหานรกอบายภพไม่เห็นแต่แล้วโู่แกก็เป็นเลนแต่แล้ววันพรุ่งนี้นักธาคตต้องไปช่วยแกเป็นเลนเพราะยังไงนะเ้าพระตายแล้วชีวานนเป็นของสงสอเลยแกกั น, นประชุมกันนะน่นจะได้แกกันกันคนช่นแต่่นแต่แล้วนักธากคต้องช่วยไม่ช่ยไม่ได้เอนเลนนะ อห่วงจีวร อ, อยู่หาว่าแจกกันแล้วนะันวกก่นเล่นจะโขดอวัคต์ันดบญสีนั่นจะไปตกนรกนะ่ะเทวันแต่หาพุทธช่วยนะ่ะและว้ววางด้านองค์สมเด็จพระพเมลภาคเดินไปสงฆ์ประชุมการจะแจกจีวรไปแล้วเพียงองค์ก็ถามว่าก็เท่านะั้ประชุมกันยังไงนงะี้ยอ้าวประชุมอย่างนี้พุทธค่ะมรดกพระที่ตายนานตกันนั้นตกเป็นองสองฆได้แจกกันแล้วพุทธค่ะไหนไหนเด็กนี่โอ้ติเจ้านะ อาว อ, องเสื่อมประหัดประจับเยวรหนึ่งและตาพระ อ, องค์ตาพระหมหาวดน่นะเหลือกดูนะ่ะแหมดีอะไรนะ่ะที่อประหัดนะ น, นัตอนนั้นสงทั้งหลายแหมดูนะพี่เล็กเพลยเดียหัวชนการนั้นไม่ใช่เอิงกลายกุจกาเมื่อฉันเล่นตัวเล็กๆนะ่ะมันวิ่งไปเว่งมาอ ย, อยางไงใ น, นตอนนั้นองค์สมแต่พระพเนียภาคหยดหยดยาเพิ่งแจกนะเอเล่นเมื่ออายุเจดวันรอรอสักก่อนไนงะ่อยแจก ว, ว่าเวลานี้นะ่ะ เลิ่มไปเกิดก็เพลิงเลยเนี่ยตกนรกรอนที่ก่อนถึงเจ็วันนะแลนเนี่ยตายไปสู่เบญจวรเพลิงโลกโดยอำนาจอำนาจปฏิโมกข์ของท่าที่รักษาตามาวะจรแม้ท่านองค์นั้นยังไม่สำเร็จมากับผลนะเพียงแต่รักษาความเมตต์ในปฏิโมกไปสู่โลกสวรรค์พวกเรานะมันหลายนาทีเดียว หนึ่งทำราชการขโมยสองเป็นโขขาขโมยสามเป็นชาวสวนขโมยชาวนาขโมยนะอชาวอยู่ในมนุษย์โลกนะนั่นเวลาใกลจะตายสําคัญนะที่ไอ้ชาวนานะนั่นตายลงไปแล้วอ้าวนาที่คนเกลียจะตายลงไปแล้วนะนาของเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวอย่างเีอนยะ่างเงียเดีย ว, ยวาตายปุ๊บนะไหนเป็นปูไปซะแล้วนั่นเป็นปูนะนั่นอยา่าคิดนั่นะอ่าอย่คิดถึง เรือนเนี่ยเข็นมารังเทศนะเนี่ยตายในระหว่างนี้นะอ้าวเรือนของเราจะเป็นยังไงฮะอ้าวตายตลงไปต็ดเรือนซะแล้วเนี่ยอ้าวเป็นตุ๊กแกซะแล้วนั่น<ม>ไม่อย่างนั้นสาวสวนนะอ้าวติดสวนนะโทรเรียนของเราเป็นยังไงเหมาะของเราเป็นยังไงงานเนี้อ้าวตายไปอ้าวเป็นดวงแล้วน่ะเกาะอยู่ในเกลมไม้โทรเรียนซะแล้วเนี่ยนี่แหละฉันดได้กเลยขอให้ต่างอกต่างใจตจ า, ตางใจมากเลให้เช้นในโพธทอให้มาเม ด, ามาดีเยวนะนั่น ใน <c oughs> กันมันฉันว่า <c oughs> คนไหนฝึกหัดภาวนาเรื่อยๆนั้นตาง่ายที่สุดตายง่ายที่สุดนะไม่เด่นนะมันเข้ารู้จากอารมณ์นะ<ช>ออารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันเข้ามันออกเลยไม่ชํานานนะ <c oughs> น, น่นเข้าสุขวังไปลอยที่ยวนั่นตายง่ายตาอย่ า, ย า, ยยางทุกขกตอไปด้ด้วยนะ น, นั่นคนที่ไม่รู้จากพุทโธพุทโทอะต้องเดินทางรายสาระทุกอย่างเอาคติของเราจะไปเกิดที่ไหนเอายุงแล้วีจะเป็นวานได้ไน เผ็ดนานเองและคอยต่างอกต่างใจให้มาเทียน่นยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านะในสมัยใบในครั้งนั้นเปนดีกาเผดถือนะป่วยอย่างเต็นทีเดียวพระองค์ได้ทราบว่าคือหาบดีมุกคื อ, คอว่าคือหาบดีป่วยหนักเลยเรียกพระเจ้าได้บทมาเรียกพระอนอนทมาเนี่ย อานอนคนได้หมดนะไปเยี่ยมขราบนีลนะเธอไม่คุ้มมากนะเธอสร้างวัดสั้งวาเธอทาพจน์แตมีเวลาแค่แล้วเท่านะเธอไปนะตอนนั่นพระคนบมไปแล้วนะพระอานอนประจาสมณัติเดินตามหลังไปนะนไปมาคนมากซะด้วยนะดูใจของบิรดิกาเศรษฐีจะขอใจในครั้งนั้นนะตั้งเหมือนๆเลยนะ<ม>ในเรือนของเธอและอีปก า, ารหนึ่งบินดิกาเศรษฐีนะ่นอนเตียงอยู่ในท่ากลางเท่าน พระเาบทแวตัวของอุทางเขาไปเียนะครับรับพุทธาธน น, น, นะไปถึงแล้วพระสาบทนั่งอยู่ข้างหงัอพระอานนอยู่ตรงกลางพระพุทธพระเจ้าได้บรถามฐามนเบริกาเศรีนะ่เป็นยังไงาการป่วยเนะบนิกาเศรีมาเหม้เต็มเทนะพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวเนี่ยเคยขายสว่าเมตกรที่สาเพลศรีนะคมเคล็ดนะเบตาหายใจซะแล้วงัน ตอนนั้นพระเคสได้บทนะถามว่าท่นนานระลึกได้ไหมธรรมะนะการบํ า, าบเพ็ญคาภาว น, นาของท่านนะระลึกได้ป้วยะตอนนั้นบิณฑิกาเถรเถรนะเอาระลึกได้ขา้าพเจ้าเป็นโจรนาบันนะนไม่หลงไปเลมนะอย่างงั้นอย่างนี้นะนตอนนั้นพระาเคยบทในอกในใจว่าคก็หาบดญไม่เสียไม่เสีย ท, าท่าเดียวจำจิตได้คํานวณได้ที่แนะแล้วก็ถ้ากวลากลับเนีน่ยเวลากลับกับพระอานอ์ไปแล้วไหน ข้าวพระเสด็จนะขาวข้าวของพระเสด็จบทอย่างเข้าวัดนะนาะบินิกาเศถษฐีคำคุริยาตายแล้วเนี่ยนาะเกิดเป็นชันโดยสุดนะเกิดได้ชั้นโดยเุดนะครับนะสมบัติชันโดยสุพระโสดาบัน ม, มาเกือบมากกว่าทั่วเทศทั้งหลายนะเนี่ยหล้วแขนใดก็ได้ผอมตั้งอกตั้งใจให้รักตัวที่สดใสใกเขาไม่ชอบเอานรกนะนะนะ ไา้กันอ้ได้กอา ย, ยุงไร้กนะผู้ชายได้โลกนะกรอเทียวเพราะมันของที่ตำชาเดือนนะไอสวรรค์นี่สาคัญนัะนะย่าดูเมื่อพระนจันทร์มันปรงกล่าวว่าเวลาตายไปนะอย่าไปพักนโลกนะอใบพุมหนึ่งสียนะมันร้อนนะคอยพักบนสวรรค์นะรอพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมากลัดนะจะได้เคลื่อนจากสวรรค์มาเกิดทันศาสนาของพระองค์นะดังม้เที้ยวศาสนาสมะเบกรา ย, ยังรออยู่นะดัง พุทธานนอนด่งนะสาสามรโหมหายไปแล้วเนี่ยพุทนนอนดังแดสงโยตัมีพระเจ้ามากอีกครั้งเนี <c oughs> ่ยพระแม่กายมากลัดแล้วในตอนนั้นเนยกลับแม้ทีเล็กเตียนะไม่มีพระเจ้ามากราดนะนนดเ น, น, นี่ยที่โถเตี้ยนกลัวองค์เอิมาไม่สืบองนะสืบองอนาคตนะเข้าองค์พระแม่กายากรา น, นะดงขั้ ปาลนะพยายามมหนึ่งนะ<ม>าพาดสร้างนาคเลนะไปะจากไปเนสนอกุศลนะ<ม>พยายามมา น, นะนำยึกับข้างหน้านะนี่นะเป็นนักนักับนับกันม่ได้ยึอนาคตข้างหน้านะปัวข้างหน้าจะมากลับในโลกนะนี่นะฉันได้กุฎิพานตั้งอกตั้งใจให้ฝุดหจจัดจะได้เนื้อทเทียวผุดโคุออัธยาศัยปนนัยเทียวนะถนเจ้าประทับเรื่องจิตของครจิตคุณ่ต้องสูงนะ โงงนะแกวกร้านะพวกพัน hmm. ทั้งหลายนะเป็นอมตะเป็นอมตะศิลานะบุตรของพระพุทธเจ้านะวาสิการาชดายศใหญ่ลูกของกษัตริย์กล่าวคือพระพุทธเจ้าโชานะมงกุฎราชสมานดักยศใหญ่เทียวเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเทียวบุตรของกษัตริย์นะกษัตริย์ใต้เนี้ไม่ใช่กษัตริย์ลูกดีนะกษัตริย์อย่างเอ๋นะหลกุรลนะพระพุทธเจ้านะดังไม่ยศมากเลยตอนพวกพันนะ อะไรๆต้องกลัวผีต้องกลัวอะไรต้องกลัวหมดนะใครจะมาทำร้ายนะดูกระสับนะอะาทีเดียวหัวขาดนะอางนั้นเขาโกรกเขาเก่งกลัวผพ้ดีเจ้ามากที่สุดนะบนะอี่สนี้มีเดชามีภาพมาทีไรนี่นี่ละฉันใดก็เลยพอให้ต่างอกต่างใจต่างใจอย่าประมาทนะนะ เมื่อทนทนายดยระับปรับฟังแล้วโอติโกนอนทะลุโยนายเข้าวัดนะปฏิปฏิบูชาพุทธบูชาพระบูชาสงฆ์บูชาไ่ะก็เห็นอะไรสงายพระพุศาสนาโดยง่ายสมควรกระการเวลาอัตฑมักอัตมาวิสัชนามะเอวังก็มีด้วยจักรชเนยเมชย์ชอเตราซอญาถาสัตยวัจนตุมาเตภวัตวันตะยาศกิณดุขาโยโกภะ อะเทวาธนายเซลึกจะนิจังอุต ธ, ธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัชันตตหายุวันโนสุขังพระลัง